เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้านะมีหลายคนพระโมคคลาก็เคยถามพระอินก็เคยถามถามแบบเดียวกันนะว่าธรรมะย่อๆในการปฏิบัตินะเอาแบบย่อๆนะมีความว่ายังไงทำยังไงจะหลุดพ้นพนระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าถ้าเห็นว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่น จิตก็หลุดพ้นได้นี่เวลาจะเห็นว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนะให้เราคอยรู้ทันทำทั้งหลายปรากฏกับเรานะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตาก็มองเห็นรูปรูปก็เป็นธรรมะหูก็ได้ยินเสียงเสียงก็เป็นธรรมะรสกลิ่นเสียงสัมผัสป พ, พะธรรมารม พอสิ่งเหล่านี้กระทบใจแล้วเนี่ยเวทนามันเกิดพอมีการกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาก็เกิดเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอเวทนาเกิดเนี่ยถ้าสติปัญญาตามไม่ทันนะตัณหามันแทรกแค่นี้เองง่ายๆเ ง, งินตามองเห็นรูปเนเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นที่ใจ ถ้าตามมองเห็นรูปถ้าเวทนาที่ตาเนี่ก็มีแต่อุเบกขาเาะั้นเราไม่ไปตรึงการสัมผัสไว้บางคนพอตามองเห็นรูปนีไปกำหนดอยู่ที่ตาบ้างกำหนดอยู่ที่รูปบ้างกำหนดอยู่ที่ผัสสะทางตาบ้างกำหนดอยู่ที่จิตทางตาเรียกจากคูวิญยานจิตถ้าไปกำหนดอยู่อย่างนั้นนั้นไม่เห็นอะไรหรอกทำผิดอย่างไร้ายแรงเลยพรดพุทธเจ้าท่านบอกว่า พอกระทบอารมณ์นะเวทนามันเกิดมีความสุขความทุกข์ท่านพูดถึงสุขทุกข์ขึ้นมาด้วยนะมีสุขทุกข์ขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดทางใจเท่านั้นแหละไม่ได้เกิดที่ตาที่หูอะไรหรอกงั้นเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่ง เ, เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะขึ้นมาในใจเราให้มีสติรู้ทัน ถ้าเรารู้ไม่ทันเวทนาที่เกิดตันหามันจะแทรกเข้ามาจะมีความอยากขึ้นมา <c oughs> มีความสุขก็อยากให้มันสุขอีกอยากให้มันสุขที่เกิดแล้วอยู่นานๆอยากให้สุขที่ยังไม่เกิดเดนี่ยเกิดอีก <c oughs> มีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้ความทุกข์ดับไปแล้วก็อยากให้ความทุกข์ใหม่ไม่เกิดอีกตันหามันเกิดตัญหาเกิดขึ้นมานะจิตที่จะเข้าไปหยิบฉวยยึดถืออารมณ์ เข้าไปยึดไไม่ปล่อยยึดถือรูปประธรรมนามรรมา ท, ทั้งหลายจิตเข้าไปยึดถือนจิตก็ทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้เองนี่วิธีปฏิบัติธรรมนะการเจริญมิพัสนากรรมฐานที่ท่านสอนพระโมคคประสอนพระอินสอนแล้วก็บอกเมื่อเวทนาเกิดขึ้นนะให้รู้ทันจะเห็นเลยว่าเวทนานั้นนะตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยง เรียอ น, นิจจานุปัสสนะีตามเห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงงั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนไร้่อยๆว่าพวกเราให้หัดภาวนาไปนะกลับไปเราก็จะเห็นเลยสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวอันนี้แหละก็คือการที่เรียกว่าเวทนานุปัสสีอย่างความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวหัดดูอย่างนี้บ่อยๆนะ ตามดูเวทนาเห็นแต่ว่ามันของชั่วคราวของไม่เที่ยงพอเห็นเวทนาเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เทียเเเเ่ยงนะราคาเกิดไม่ได้ราคาไม่เกิดไม่ได้คือตัณหาไจะเกิดไม่ได้ถ้าเรารู้ไม่ทันนะเราเห็นว่าเวทนาเป็นของดีของวิเศษเป็นของเที่ยงนะตัณหาก็เกิดเพราะนั Speech ้นถ้าเราเห็น มีอนิจจานุปัสสิมันะจะมีวิราขานุปัสสีตามมาคือตามเห็นความคลายออกใจจะคลายออกไม่เข้าไปยึดโลกนะแทนที่จะยึดเนกับคลายออกงั้นถ้าเวทนาเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราก็เห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเห็นแล้วเห็นอีกนะใจมันจะคลายความยินดีในความสุข คลายความยินร้ายในความทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจมันคลายออกเรียกว่าวิราคานุปัสสีถ้าใจคลายออกเนี่ยใจปราศจากความอยากใจปราศจากตัณหานิโรธคือนิพพานนีนน่ปรากฏเรียกว่านิโรธานุปัสสีเห็นตามเห็นความดับความดับของอะไรความดับของทุกข์นั่นแหละความดับของตัณหานั่นแหละ สร็จแล้ ว, ลวจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเรียกปฏิสักกานุปสัสสีตามเห็นการสลัดคืนสลัดคืนขันให้โลกไปนี่ท่านสอนย่อยๆอันนี้นะสอนย่อย ๆ, ๆแค่นี้แหละเอาไปทำนะบรรลุพระอราหันต์มาแล้วพระสารีบุตรก็ฟังธรรมะธรรนองนี้แหละเรื่องเวทนานี้เหมือนกันพระโมคคะราค์ก็ฟังธรรมะอันนี้เหมือนกันนะ พระโมคคลานะไปถามพระพุทธเจ้าเลยว่ารำมาอะไรที่เป็นแก่นสารสาระย่อๆเลยนะขอย่อๆถ้าสไตล์พวกเราขอยาวๆเห็นไหมยิ่งอาจารย์พูดน้อยนะเสียใจอาจารย์พูดด้วยคําเดียวเสียใจมากอาจารย์ไม่พูดเลยเสียใจที่สุดนักปราฏแต่ก่อนท่านขอย่อๆเอาแต่แก่นนะแล้วท่านจะไปทำเอาเองเหมือนพระสารีบุตรบอกพระอสชิ บอกให้แสดงทำนะย่อๆก็ได้นะส่วนความเข้าใจเนะี่ยเป็นเรื่องของผมเองหลักธรรมย่อๆที่พวกเราจะปฏิบัตินะเรารู้ทันเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเห็นสุขก็ชั่วคราวเห็นทุกข์ก็ชั่วคราวนะเฝ้ารู้ไปเรื่อยอย่างนี้แหละเราเป็นทางไปพันิชฌานเข้าไปกันมาเยอะแล้วนะไม่ใช่เรื่องยากอะไระเมื่อไหร่เห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะความอยากมันจะหายไป อยากให้สุขถาวรอยากให้สุขเกิดขึ้นอีกสุขที่เกิดขึ้นแล้วให้ถาวรอยากให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้ดับไปมีความอยากใจก็จะยึดถือใจไม่เป็นอิสระถ้าใจหมดความอยากถ้าสิ้นราคะสิ้นตัณหาเมื่อไหร่นิพพานก็ปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือวิราคานะนั่นแหละนิพพานก็คือสภาวะที่สิ้นตัณหา พอสิ้นตัณหาสิ้นราคาสลัดคืนทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรใจก็มีความสุขสบายไม่ยึดกระทั่งความสุขความสบายนะแต่ว่ามันสุขอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงก็มันสุขอ่ะพอไหวไหมพอนาง่ายๆแค่เนี้ยพระโมคคลาฟังธรรมานีนะ้แล้วลุยปฏิบัตินั้นบรรลุพระอรหันต์มีวันหนึ่งพระอิน พรนะยินเกิดสงสัยขึ้นมาอะไรนะาะเป็นธรรมะที่เป็นแก่นเลยนะแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วทํายังไงจะเข้าธรรมะที่เป็นแก่นนี้ได้เข้าถึงได้นะพอท่านนึกขึ้นได้ว่าสงสัยตรงนี้นะท่านต้องรีบมาถามพระพุทธเจ้าเพราะเดี๋ยวจะลืมเนี่ยนิสัยท่านขี้ลืมนะท่านกลัวลืมก็รีบลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถามพระโมคคลาก็อยู่วัดเจดวันด้วยตอนนั้น ไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าตอบพระพุทธเจ้าตอบพระอินเนีพระโมคคัลลาไม่ได้ยินได้ยินแต่ที่พระอินถามและสุดท้ายได้ยินพระอินสาธุดังลั่นวัดท่านเลยตามพระอินไปจะไปถามว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าอะไรพระโมคคัลลาก็ไปถามว่าไปถามพระพุทธเจ้านะ่ยท่านตอบว่าอะไรพระอินตกใจฮะลืมไปหมดแล้วใช่หไหมไอ้ขี้ลืมจริงนะ รืมอล้วพระโมคคลาเห็นแล้วเสร็จแล้วหมัดไก่นะลืมแล้วไหนไหนท่านก็มาแล้วเชิญทัวร์ปราสาทเลยเชิญเที่ยวปราสาทเวชยันต์สวยน่าอย่างนั้นนีคุยโมอวดพระโมคคัาลลอพระโมคคลาท่านได้ทำให้ปราสาทนั้นไหวปราสาทไหวในพระอินหายซาใส่ใจสํารวมขึ้นมา พระโมลาถามอีกพุทธเจ้าสอนอะไรจำได้รอนี้ยได้ตอนนั้นกำลังดีด้าดีด้านะรวมความนะ้าธรรมะเวลาที่เราจะภานานะดูจิต ด, ดูใจของเราไปตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปอย่าไปห้ามมันถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์ก็ไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาก็จะไม่เห็นความไม่เที่ยงของเวทนา ก็จะติดออกติดใจอยู่กับโลกลงเห็นว่าความสุขก็ไร้สาระความทุกข์ก็ไร้สาระคือกันพอๆกันจะไปเอาอะไรทุกวันนี้ชีวิตเราวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานึกออกไหมเวทนาแน่เลยเป็นของใหญ่เราสแสวงหาเวทนาที่ดีเราหนีเวทนาที่ไม่ดีทําอย่างนี้ตลอดชีวิตเล กลุ้มใจขึ้นมาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินเหล้าไปอะไรไปทัศนาจรนะหวังว่าจะสบายใจนะจริงอยากได้ความสุขอากาศร้อนไปหาแอร์มาใส่หวังว่าจะมีความสุขเงินไม่พอไปรูดบัตรเครดิตมาก่อนนะหวังว่าจะมีความสุขนะรูดมาแล้วก็คราวนี้มีความทุกข์ลนะเนี่ยเราดูนะักเวทนาเ น, นี่ยเป็นตัวที่ผลักดันพฤติกรรมของเรา เริ่มจากพฤติกรรมทางใจก็ ล, ลามมาพฤติกรรมทางกายนะทางวาจาเที่ยวแสวงหาความสุขเที่ยววิ่งหนีความทุกข์เรื่อยไปนะแทนที่จะต้องคอยหนีมันมาเผชิญหน้ากับมันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมตากระทบแล้วใจเกิดความรู้สึกสุขให้รู้ทันใจเกิดความรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันใจเฉยๆให้รู้ทัน เฉยๆกันจะได้ครบเวทนามีสามัญมีสุขมีทุกข์มีเฉ ย, เฉยๆเวทนาทางใจนะมีสามัญคอยรู้ทันนะงั้นเราไม่ได้ปลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะไม่ใช่อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดมกลิน่นอย่าไปริมรสอย่าไปรู้สัมผัสทางกายอย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งพวกเราชอบคิดใช่ไหมหาทาง ทำไงจะไม่คิดใครเคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างว่าจะปฏิบัติยังไงจะได้ไม่คิดทำผิดเนาะเข้าใจหลักยัง่งเนี่ยถ้าไม่เข้าใจให้ไปถามเท้าสักกะเทวราชถามพระโมคคลาไม่ได้ท่านนิพพานแล้วเท้าสักกะท่านยังอยู่จากวันที่ท่านคุยกับพระโมคคลามาถึงวันนี้นะยี่สิบห้าวันเองของท่านน่ะนิดเดียวยี่สิบห้าวันเอง ใหเวลา25วันของตาวดึงนี้เงอย่างอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์แล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกอย่าไปตัดความรู้สึกนะไม่ใช่ตามองเห็นรูปกําหนดไว้ที่ตาที่จกักรคูปศาสาทตามองเห็นรูปกําหนดไว้ที่รูปซึ่งตามองเห็นตามองเห็นรูปกําหนดอยู่ตรงที่การกระทบผสัสสะ ตามองเห็นรูปกระทบอยู่ที่จักรคูวิญญาณจิตความรับรู้ทางตาทําตรงนี้ไม่มีเวทนาอะไรให้ดูหรอกมีแต่อุเบกขาดูทีไรมีแต่อุเบกขาแทนที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงนะแล้วถ้ากําหนดลงไปที่ตาคือจกักรคูปราศาทที่รูปที่มองเห็นที่การกระทบจุดที่กระทบนะที่ความรู้สึกทางตาจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูร ดูไปดูไปนะก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปคิดว่าไม่มีกิเลสนะที่จริงกิเลสมันมีแต่มองไม่เห็นนะเวลาอุเบกขาเวทนาเกิด น, นะกิเลสตัวไหนขยันแทกโมหะโมหะแทกกำลังทำล้วลึกลงไปใต้โมหะมีกิเลสอีกตัวหนึ่งอะไรดูออกไหมดูไหมราคะไง อยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเลยลงไปกำหนดงั้นอย่าไปกำหนดอยู่ที่ตาอย่าไปกำหนดอยู่ที่รูปอย่าไปกำหนดอยู่ที่ผัสสะอย่าไปกำหนดอยู่ที่จักรูวิญญาณจิตให้มันกระทบนะแล้วก็ให้ใจมันกระเทือนไปตามธรรมชาติตามองเห็นรูปเห็นสาวสวยขึ้นมาใจมันพอใจมีความสุขเห็นของสวยงามมีความสุขไหม เห็นของน่าเกลียดน่ากลัวใจไม่สบายรู้สึกไหมเห็นหมาบ้าวิ่งมามีความสุขไหมแช่มชื่นหมากําลังมาแล้วใกล้กัดแล้วชื่นใจก็เพี้ยนหมดเลยนะงั้นให้ตากระทบรูปนะแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทํางานได้มันเกิดความรู้สึกสุขก็แค่รู้ทันเกิดความรู้สึกทุกข์ก็แค่รู้ทันแค่นั้นเองหูได้ยินเสียงฟังเสียงแล้วบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์นึกออกไหม ฟังเสียงชมมีความสุขนะีฟังเสียงด่ามีความทุกข์นะฟังเรื่องราวนะคนเก่าคนแก่คนแก่เจอกันนะคุยกันเออคนนั้นก็ตายแล้วนะคนนี้ก็ตายแล้วนะคุยกันอย่างมีความสุขนะเพื่อนตายไปหมดแล้วมาเล่ากันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเนี่ยหูได้ยินเสียงมีความสุขก็รู้นะฟังเพลงกําลังอกหักฟังเพลงแล้วมีความสุขไหมเพลงเศร้า โอ้เพลงนี้ถอดหัวใจเราไปเขียนแท้ๆเลยเศร้าฟังน้ำตาร่วงเปิดวิทยุได้ยินแล้วรีบไปซื้อเทปมาฟังต่อนะจะได้ร่วงบ่อยๆได้แสบจนะให้รู้ทันนะหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขก็ให้รู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วมีความทุกข์ก็ให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นก็มีความสุขความทุกข์ได้เห็นไหมได้กลิ่นหอมมีความสุข บางคนได้กลิ่นเหม็นมีความสุขได้ไหมมีนะมีอย่างบางคนนะอยู่ในย่านสมมติทำน้ำปลาตอนเด็กๆนะอยู่ใกล้โรงน้ำปลาสมมตินะและ้วโตขึ้นไปเรียนอเมริกาไม่เคยได้กลิ่นน้ำปลาเลยนะกลับมาที่บ้านได้กลิ่นน้ำปลามีความสุขอย่างเลยเห็นะหเนี่รู้ลงไปที่ใจนะอย่าไปฝืนมันนะ น้ำปลานี่เหม็นต้องมีความทุกข์ทุกทุกทุกเฮ้ยทุกได้กลิ่นเนยบางคนเกลียดเนยใช่ไหมบางคนได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลบางคนได้กลิ่นแล้วอย่างอื่นจะไหลแทนทนไม่ไหวรู้ลงไปที่ใจเนี่ยหัดดูจิต ด, ดูใจนะดูให้ถึงตัวนี้ตัวเวทนาวันนี้หลวงพ่อสอนเรื่องเวทนาละเอียดไหน่อ ปกติจะสอนเรื่องสังขารสังขารหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนให้ดูสังขารนนี้มานึกๆึกดูพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องเวทนาดูจิตนึกก็เห็นเวทนาทางจิตด้วยนะบทวัดที่ท่านสอนพระโมคคะราสอนสารีบุตรสารีบุตรนี่แอบฟังนะท่านฟังพระพุทธเจ้าสอนทีคณาขะท่สอนเรื่องเวทนานี่นะนะแหละแล้วท่านแอบฟังทีคณาขะได้พระโสดา ท่านได้พระระหารั น, ะนพระโมคคัลลาก็ฟังเรื่องเวทนาพระอินทร์ก็ฟังเรื่องเวทนานะแต่พระอินทร์ฟังแล้วยังไม่ได้อะไรตอนนั้นอยากรู้เฉยๆนะตอนนั้นอยากรู้เฉยๆพอได้ฟังนะหายสงสัยละแล้วกลับแล้วลืมเลยที่ถามก็ลืมที่ตอบก็ลืมใครเป็นแบบนี้สารภาพมาเยอะนะมาถามหลวงพ่อวันๆหนึ่งอ่ะเรารู้เลยว่ามันถามไปอย่างนั้นอ่ะ สงสัยแวบขึ้นมาในใจนะหลวงพ่อถึงแก้ลำ้ำบอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยพอสงสัยเราก็รีบมาถามอู้อินบอกใจได้คําตอบแล้วออกจากวัดยังไม่ทันจะพ้นเลยนะก็ลืมหมดแล้วล่วะเพราะเรายัางเภาวนาไม่ถึงจุดนั้นเราถามความคิดเรานชอบล้าไปถามล้าไปถ้าอินก็เคยมาฟังธรรมพุทธเจ้านะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้พระโสดาบไป ตอนนี้ท่านอยากจะเลื่อนชั้นแล้วก็ได้ใครจะรู้สมัยก่อนท่านประมาทสมัยนี้ท่านไม่ประมาทแล้วนั่นภาวนางั้นเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้กระทบไปในใจเราคิดคนแก่คิดถึงความหลังแล้วมีความสุขเด็กวาดฝันไปถึงอนาคตแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคนแก่คิดถึงอนาคตแล้วเศร้าใจโอ้วันข้างหน้า เหลือสองวันครึ่งอย่างเงี้ยนะใจฝ่อเด็กๆไม่ค่อยไปคิดถึงอดีตหรอกเด็กๆก็ไม่ได้รับสิ่งที่กระทบถูก อ, อกถูกใจในปัจจุบันก็เศ้าใจแฟนไม่โทรศัพท์ไปแฟนไม่รับก็ฆ่าตัวตายละเนี่ยมันทําง่ายให้คนแก่มาฆ่าตัวตายเพราะโทรไปหาแฟนแฟนไม่รับไม่ฆ่าหรอกอย่างมากก็ฆ่าแฟน <laughs> <laughs> เรื่องอะไรฆ่าตัวเองยิ่งแก่ยิ่งหวงชีวิตนะออื เพราะมันเหลือน้อยเด็กๆไม่ค่อยกลัวหรอกดูมันซิ่งมันมีรถแว่นรถอะไรของมันนะมันเป็นยังไงรถแว่นไม่เข้าใจเด็กแว่นหรอไม่ใช่รถใช่ไหม <c oughs> เออมันไม่กลัวตายหรอกนะยิ่งแก่ยิ่งกลัวนะเพราะตายง่าย <c oughs> เด็กๆไม่ค่อยคิดเลยเนี่ยเรารู้ไปนะใจเราคิดไปเรื่องนี้มีความสุขเรารู้ใจเราคิดไปเรื่องนี้มีความทุกเรารู้ ตาหจมูกเล่้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์แล้วนะให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติเราแค่มีสติรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นนะมันเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆไปเรารู้เราก็จะเห็น เ, เออความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะดูไปเรื่อยมีแต่ของชั่วคราวนะถ้าภาวนาจริงนะไม่ได้พูดตามสูตร มันก็จะเห็นทั้งความสุข cal, เห็นทั้งความทุกข์เห็นทั้งจิตที่เป็นกุศลเห็นทั้งอกุศลไม่ได้เห็นแต่เฉพาะเวทนาเลยเห็นสังขารด้วยดูควบไปเลยก็ได้ดูทั้งสังขารดูทั้งเวทนาก็ได้แต่ดูไปดูไปนั conduct, ja? ้นลงท้ายเนี่ยมันจะไปเห็นเวทนานั้นเด่นขึ้นมาว่ามีสังขารอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดเวทนาขึ้นมาปรุงไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกสุขปรุงไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็ความรู้สึกทุกข์มันลงมาที่เวทนาอีก งั้นเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราแต่ไหนแต่ไรมาสังเกตไหมลงท้ายจะบอกว่ามันมีปัญญาขึ้นมานะมันเห็นว่าสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะคืมันลงมาที่เวทนานี่แหละนะเพราะอะไรเพราะเวทนานี่แหละผลักให้เกิดตัณหาต่อนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงมานะให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่เป็นการเดินปัญญานะพอไหวไหมพอไหวไหมเข้าใจยัง ดูไปนะจกนกระทั่งเราเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะมรคนไม่หนีไปไหนหรอกตรงนี้เราเรียกว่าเรามีอนิจจานุปัสสีนะเราตามเห็นจเจริญวิปัสสนาด้วยการเห็นอนิจจังนะเห็นอนิจจังเห็นความไม่คงที่ของตัวเวทนาสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอยู่ไม่ได้หรอกนะอนิจจังทุกขังอันเดียวกันนะอนิจจังก็ทุกขัง สิ่งใดเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าเวทนานั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวต่อไปใจเป็นกลางเห็นไหมหลวงพ่อพูดเป็นนานแล้วว่าใจเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงไม่เที่ยวแสวงหาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ปฏิเสธไม่ป้องกันเห็นไหมว่าตัณหามันหมด ความอยากมันหมดความดิ้นรนของจิตมันหมดเพราะงั้นถ้าเราเห็นนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะใจมันจะหมดแรงดิ้นความปรุงแต่งของจิตมันจะ ด, ดับสนิทลงไปเมื่อความอยากไม่มีความปรุงแต่งไม่มีจิตจะไปเห็นพระนิพพานจิตจะเห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะซึ่งพ้นจากปัญหานิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งของจิต ัถ้าเมื่อไรใจเราสิ้นตันหาสิ้นความปรุงแต่งเรีวิสังขาร ล, ล้วจะเห็นนิพพานจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกเรียปฏิสนิษสักะจะสลัดคืนแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้ลงท้ายท่านก็จะบอกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่อยู่จบแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วกิจอื่น ที่ควรทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกนี่เป็นที่สุดแห่งทุกงานในทางพระพุทธศาสนานะมีที่สิ้นสุดงานในโลกไม่มีที่สิ้นสุดอา้าวไปทานข้าวไป